อยากได้ดีไม่ทำดีมีอยู่มากที่จะอยากหากไม่ทำหน้าขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่าลีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยมีสติแล้วก็มีได้เคยการทำลงไปพะมันหลงก็มีสติก็ทำได้พอหลงก็หมดไปอันทุกข์ก็มีสติความทุกข์ก็หมดไป นี่เป็นมักเป็นผลอย่างนี้มักผลอย่างนี้มีมากทานาได้ข้าวเอาข้าวไปกินยังเกิดเจ็บเจ็บตายก็าราชการทํางานได้เงินได้ทองหามาปัจจเจศมาอยู่ไากินมาใช้ก็ยังเกิดเจ็บเจ็บตายแต่ว่าพรหมจรรย์ของเรนี้เหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายเพราะอะไรเพราะตัวรู้นำไปสู่ทางวิเศษสู่ความวิเศษสู่ความหลุดพ้น เป็นมักเป็นผลผลสูงสุดคือเหนือการเกิดแ เ, เ, เจ็บตายเราจึงมาทําเรื่องนี้กันจะเป็นพ่อค้าชาวนาข้าราช ก, การก็ตามต้องมาถึงจุดหมายอันนี้ไม่ใช่เรากเกิดมาเพื่อแ่เจ็บตายไปไม่มีประโยชน์ไม่มันก็เสียชาติไปแล้วเรื่องนี้เป็นอริยทรัพย์ภายในของเราทรัพย์ภายนอกใช่ในโลกนี้ไม่กีรังยังง่งยนืน เปลี่ยนเจ้าของไว้เรื่อยในช่วงอายุหลงตาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะบ้านเรือนเราก็ทําเองที่ไรที่นาเราก็สอบเสาเองหลงตาก็เลยว่าจะอยู่ว่าจะใช่ที่นั่นไม่ได้ใช่เลยแม่หลงตาก็ไม่ได้ใช่พ่อก็ไม่ได้ใช่น้องก็ไม่ได้ใช่คนอื่นเราไปใช่หมดเลยน้องก็ไม่ลูกสาวลูกสาวเขแต่งงานแต่งงานก็มีลูกเขย เราแปก็เป็นของลูกเขยเขาหลอนหน้ตาก็ตายไป ท, ทั้งท้งที่ให้มันสืะกุลไม่เป็นเช่นนั้นเป็นขคนอื่นไปนี่ชอบสมบัดชอบไปนอกมันมีได้อย่างนี้นายจีลังยังเยืนเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยจะไปบ้านก็ไม่ไม่กล้าไปเคยอยู่เพราะเป็นของคนอื่นไปเมื่อวานนี่ก็ไม่ใช่ของเราแล้วใกลเข้ามา อะไรที่เป็นกรรมที่ทำได้คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราทำอะไรเนี่ยคือกรรมาฐานที่เรามาทำอยู่เนี่ยเป็นปัจจิตังทันใจถ้ามีเดี๋ยวนี้อั น, นอเนี้ยอริยทรัพย์เนี่ยถ้ามีเดียเด๋ยวนี้มีสติเดี๋ยวนี้มันก็มีไปในภพหน้าด้วยเพราะมันเป็นอริยทรัพย์มันติดแร้งไม่เสียท่วมไม่เสียน้าไม่เสียเพราะแล้งเพราะท่วมเพราะอย เป็นทรัพย์ของเราไปเช่ในการเกิดแจ่เจ็บตายได้ทุกอย่างเพราะความรู้สึกตัวทาไม่ได้นี้นั่นเป็นอย่างนั้นงัานเราจะไปล่าลังเลสงสัยอะของจริงละที่เรามาทำอยู่เนี่ยกายก็มีอยู่จริงใจก็มีอยู่จริงวาจาก็มีอยู่จริงมันใช่สำเร็จประโยชน์ได้ถ้าทำดีเขาสำเร็จในความดี ถ้าทำชั่วก็สำเร็จในความชั่วด้มันก็พร้อมแล้วอลดสมบัติแล้วอย่าไปอวดบ้างว่าหนุ่มว่าแจ่เพศไว้ลัทธิจะเป็นอะไรก็ตามเคยมีขันหน้ามีรูปมีนามมีขันหน้ามีกายมีเวทนามีจิตมีรูปมีกายมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีญาณที่เหล่านั้นถ้าเราไม่รู้มันก็ยิ่งใหญ่มัน บังคับกับไสเราทําให้เรางู้งทำให้เราหลงได้มันใหญ่รูปก็ใหญ่เวทนาก็ใหญ่สัญญาก็ใหญ่สังขารก็ใหญ่วิญญาณก็ใหญ่มันปั่นเราหลงไปกับรูปหลงไปกับเวทนาหลงไปกับสัญญาหลงไปกับสังขารหลงไปกับวิญญาณพวกเป็นชาติอยู่ตรงนั้นนับไม่ถ้วนเรียนไหวใจเกิดเกิดดับเกิดดับกับขันธ์ห้า พระพเจ้าทร ง, งสอนพวกเราขันธงห้าเป็นของหนักเด้อบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปพระเจ้าสลัดทิ้งของหักลงเสียแล้วถ้าไม่หยิบเอาของหนักอันอืนขึ้นมาอีกมันก็ได้ได้นิ้พผ่านที่ตรงนี้ได้นิ้พ่านคือไม่มีขันธ์ห้าเข้าสู่ธรรมชาติไม่มีอุปทานในขันธ์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์ ความดับทุกข์ก็คือไม่มีขันธ์หาให้เข้าสู่ธรรมชาติเป็นรูปรวนรุนเป็นเวทนารุวนรุนเป็นสัญญาสังขารวิญญาณตามธรรมชาติสู่ธรรมชาติไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เรามีตัวเป็น ต, วต น, น fasting, day, วันหนึ่งเกี่ยวกับ 12, 500, รูปเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับสัญญาสังขารวิญญาณหลายภพหลายชาติเหลือเกินบางท่านเอมันไม่มีตัวไม่ตนแล้วก็สเสวยวิบากกรรมไปกับขันธ์ห้าไม่ใช่น้อย มันไม่มีเราจะมาเห็นน่ะมีสติเห็นกายอ่ะจะลยไปได้เลยกายสักระากายไม่ใช่จัตตุผลตัวตนเราเขาจะลยไปแล้วลบได้น้อยแล้วเหมือนเราเขียนผิดเอาอยางไปลบน้อยๆลบไปลบมาไกเมือนเราตาเขียนบอร์ดเอาสีน้ำมันเคมีไปเขียนลืมไปมันลบไม่ได้ลบเพิ่งทีหนึ่งก็ไม่ออก สองครัง้งสามครั้งไม่ออกร้อยครัง้งพันครั้งออกเลยทีเดียวเพียนลบอยู่เพราะว่ามีน้ํามันตินเนอร์อะไรมาเราไม่มีน้ํามันตินเนื้อมันไม่ทันใจเอ้าเราจะต้องทําใจไว้ให้มันทันใจเราจะมีการกระทํามันจะลบได้ไหมไม่นต้องมีทินเนอร์อะไรเพียงอ่เพีย ง, ยงแต่เอากระดาษคิดสู้ไปเชือ่อไปถูยูน เป็นชั่วโมงลองดูซิมีสติได้ไหมมีได้ลบ mm hmm. บอดเพียงแต่ว่าวันที่ส6บหมิถุนาห้าหนึ่งมลืมเอ๊ประกาศนี่มาประกาอะไรเยโอ้ยผิดแล้วเพียงเท่านี้สองสามตัวเท่านี้เอามาจากชั่วโมงเราดูซิมันจะทำได้ไหมยืนปวดขายืนขาเดียวยืนสองขา เปลี่ยนแขนไส้เปลี่ยนแขนขวัวลบไปลบมาลบาว่าลบไปได้อาไปมามันได้นะอันลบที่มันเป็นทุกข์ในรูปในเวทนาในสัญญาอในสังขารในวิญญาณนา่ะมันมายากขนาดเอาเช็ดสูบเปลบสีเคมีสีน้ำมันมันมลบได้แล้วมันมีจริงไหมอันเวทนาเป็นทุกข์เพราะเวทนาดูดีๆมันไม่เหมือนเราตัวหนังสือที่เขียนผิด เกงแต่เรามีสติรู้สึกตัวลองดูถองมันจะเป็นยังไงเวทนาเป็นทุกข์จริงหรือเวทนาเป็นสุขจริงหรือมีสติลองดูหัวโลละลองดูมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ท้าทายเลยแต่เราไ่ค่อยทาตรงนี้เอาเวทนาไปเป็นสุข เ, เวทนาไปเป็นทุกข์เอาจิตมาเป็นสุขเอาจิตมาเป็นทุกข์ไปซลืมตรงนี้ไป ลืมสติลืมการกระทําตรงนี้ไม่ทำตรงนี้จกตีไปงมไปลูปไปคํากันจบไม่มีการกระทําว่ามันทํไมาได้ด้วยซ้าไปไม่ได้ไม่ทุกก็ไม่ได้ไม่โกรธก็ไม่ได้ไม่หลงก็ไม่ได้พวกผมเป็นคารวยญาติยมต้องหลงไปตามลาหูรูปลดจินเสียงก็เวียนว่ายใจเกิดอยู่ในสภาพเช่นนั้น เหมือนพระพุทธเจ้าเรียกมามาทางนี้มาทางนี้พระพุทธเจ้าเยินบนฝั่งเราอยู่ในห้วงน้ำมุดอยู่ดำอยู่ท่วมปากท่วมคอหัวเราะร้องไห้ร้องไปสัหน่อยเอยมันมีจริงหรือฝั่งมนุษย์ส่วนมากยอ่อมวบ่งโลกอยู่ตามฝั่งในนี้เองพระพเจ้าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำไม่ค่อยได้ยินเวลามันหลง เสียงความไม่หลงดังมากแต่เราได้ยินแต่วความหลงต้องย่อมคิดเรื่องนั้นย่อมลำดับลำนำความโกรธก็ามาคิดเอามาลำดับลำนำมาเลยดังมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเสียงสงบมันดังอาจารย์พุทธทาสว่าตบเปือข้างเดียวเสียงดังก้องเมื่อท่านตบสงข้างจึงดังได้ เมื่อฉันข้างเดียวเสียงก้องทั่วโลกายมือท่านดังไกลไม่กี่ว่าหมายถึงความสงบความสงบมันดังถึงพรมโลกถึงมรรคผลในผานโนดความสงบสมัยที่พระองค์มาเพ็ญพุทธกิจอยู่ที่ต้นโพธิ์มีตนหาลาคะมาเสียบแทงพระองค์เขาเคยบริโภคจากนั้นมาพระเจ้าก็สงบนิ่งไม่หวั่นไหว ไม่ให้เนาร่วมกับมันเลยอุทานออกมาว่าอัติสันติพลังสุขขังสุขอื่นยี่กลัวความสงบไปเป็นตัดไปเลยเนี่ยความสงบมันเปรียบเทียบกับเพื่อสุขอันเดินไปได้เลยเราจึงมีอาชีพเรื่องนี้กันไม่ฟรีไม่เสี่ยงรู้เดี๋ยวนี้วันทุ่นี้อาจจะรู้อีกได้ไม่หมดแต่โค้งหลงอาจจะหมดไปถ้าดีความรู้ ความทุกข์อาจจะหมดไปถ้ามีความรู้ความโกรธอาจจะหมดไปเพราะมีความรู้กิเจ็บจะตายจะหมดไปถ้ามีความรู้นะใช่ลองดูซิมันจะเป็นยังไงเสนอให้ใช่เหมือนคนไทยเราไปเสนอสินค้าที่นิวยอร์กน้องตาไปดูมีเขาไปเสนอสินค้าเสนอให้คนอเมริกันใช่ลองดูมีท่อพีวีมีก๊อกน้ํา ไม่โถห้องน้ำพระรูปนันในห้องน้ำสาธิตไปสาธิตทั่วโลกอยู่เจ้าัานนะแล้วในที่เซ็นเตอร์ไฮเบตที่เขาขับเครื่องเมนไปชนรนะ้อนใหญ่โตมากใหญ่กว่าวัดป่าสุกโตโลงเสนอชินค่าทั่วโลกคนไทยเราก็ไปได้เต้นไปเสนอไปชมเขาไปเห็นคนไทยเขาก็หัวเราะโอ้ ไปดูสินค่้าคนไทยที่เขาเสนอก็มีความสนใจของคนนานาชาติมากมายเพราะอะไรเพราะมันดีคุณภาพลักษณะท่าทางไม่ย่อยเหมือนกันคนไทยหรอนี่พระเจ้าเสนอมักเสนอผลให้มนุษย์ดูแต่ว่าขาโทรพระวจนะธรรมเพราะธรรมตัดไปดีแล้วท่าไทายสันติเจกโก อันผู้ศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอไอปฏิโก้วนน้อมมาใส่เราดูดูโอปนไลโกเอไอปฏิโ ก, เ, โกเรียกมาดูโอปนไลโกน้อมมาใส่เราลองดูซิจะเป็นยังไงปัจจิตตังเวจะรู้เองเห็นเองท่าไทายเรียกว่าเสนอเสนอมัดผลให้มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยดูซิ มันจะเป็นยังไงที่นี่ก็ขอเสนอเรื่องนี้มาขออยู่ที่นี่เสนอเรื่อง น, นี้แม่โลกจะเป็นยังไงเราก็เสนอเรื่อง น, นี้เข้าไปยิ่งถ้งวันนี้น้ำมันแพงอะไรมันก็แพงมันสามารถเปลี่ยนแปลงความยากลมจนกของคนได้พวกเราพนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายอาศยัยปัจจัยภายนอกมากเกินไปถ้าน้ามันแพงก็ ก็ทุกอะไรก็ตามให้เันเดือนมาเป็นสายบังเหียนบังคับชีวิตของเราให้ยากให้จนให้ร่ำไม่รวยผลไม่ดี่คนทําให้น้ํำมันแพงเขามีผลประโยชน์ผลอีกมากเท่าไหร่ได้รับความดร้อนมันเป็นอย่างนั้นได้หรือมันไม่น่าจะได้แล้วก็อยู่ของเราเองก็ต้องไม่หลงที่ไม่ต้องพุ่งรวยอย่าสุ่อมเสื่อไลเกินไปก็ยิ่งดีจะได้ระมัดระวัง จะเยี่ยมเกียรตัวอย่าดิ้ น, นรนเลยมากมายเนี่ยมันทันสมัยจริงๆสติสัมปชัญญะในี่ยธรรมะเนี่ ย, ยโลกจะเป็นอะไรก็ตามเราจะอยู่ตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้กันเราจะทำให้เราจนเพราะอะไรเป็นปัจจัยภายนอกเพอจะทําให้เรารวยเป็นปัจจัยภายนอกเอาภายนอกมาเป็นความยนเอาภายในมาเป็นความจนแล้วก็มอบคพีไว้ตรงนั้นเอาไปห้อยไปเขียนไว้ตรงนั้น ชีวิตเราไม่ควรทอดคนเขียนไว้กับปัจจัยภายนอกมากเกินไปให้มาอยู่กับตัวเราเนี่ยมีกายมีใจมีสติมีสมัมผัะเนี่ยอันภายนอกก็ค่อยดีไปถ้าเรามีหลักตรวนี้แล้วถ้าไม่มีหลักตรงนี้มันก็ไม่กีรังยั่งเยืนถ้าเกิดแผนเนีนไหวเมืองประเทศจี น, นทําไงถ้าเกิดพายุสี่โขนเหมือนพมา่าทําไง ถ้าเจ็บจะทําไงถ้าเจอบจทาไงชาตายทำไงตามเป็นไหมรู้อะไรบ้างอะไรไปทางไหนกันนั้นนิทานเล่าคนตอนตาเคยมีสไลนะนักเรียนะยนอกจบมาจากนก อ, อกอดอดมาเดินข้ามเรือมีคนเจ้าเรือนักเรียนนอกก็มานั่งเรือมันเจ้าเรือก็พาไปพอไปถึง กลางน้ามอายุวัดลมแรงขึ้นยักษ์มานักเรียนนอกขมันจะคุยว่าใครเป็นนายกรำมนีประเทศไทยคณะป่ายข้านคือใครคณะป่ายรัฐบาลคือใครใครเป็นแชมป์กีฬาโลกใครเป็นพระเอกหนังเรื่องนั้นผมไม่รู้คนเจรเรือบอกว่าผมไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้หรอมึงงูไปนั้นเหรอผมไม่รู้ครับ อะไรก็ตอบไม่ได้เลยนกเดียนนอกก็ดูถูกคนเกี่ยวเรือหาว่าไม่รู้อะไรเวลาขึ้นมาแรงๆน้ายนาย้ถ้าเรือล่มมันทำไงไพาน้าเป็นไหมไม่เป็นเลยให้น้าไม่เป็นเลยเ อ, อ, เลอ่ะมันจะลอดหรือหมายจึงความเกียความเจ็บความตายมันลอดได้ไหม น, นี่คืออริยภาพภายในบรรลอดตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มีความรู้ อ่านความรู้เรื่องนั่นไปเรียนมาจำเอามาแต่ความรู้เรื่องนี้ต้องมีการกระทานะมันหลงรู้นะมันทุกข์ก็รู้มันโกรธก็รู้นะนี่เป็นของเราแท้ๆรู้ด้วย้อยเท่านี้ต่อไปมันก็จะมากมันจะมีอำนาจมันจะใหญ่มาจากทองเป็นใหญ่ในชีวิตเราไปเลย เป็นเจ้าของชีวิตไปเลยเจ้าของชีวิตอันนี้ไม่มีเกิดมีแเจมีเจ็บ ม, มีตายนี่คือมรรคผลของธรรมวิไลยเราธรรมวิเลยเป็นอย่างนี้วิเลยเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ก่อนเจ้าพ่อชายเชิะก็รู้18แศาตร์มาเหมือนกันแต่ศาสตร์เรื่องเกิดเจเ จ, เจตายไม่รู้รเลยเลยไม่มีใครสอน พระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายในสถาบันที่เรียนมาครูทั้งหกี่ยวมะยิงธนูปรรดาเศรษศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรต้องเรียนมาจบไม่มีใครสอนเรื่องนี้เลยจึง ต, ต้องศึกษาด้วยตนเองเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำราเอาสติเป็นนักศึกษาให้เห็น อะไรมันมีอยู่ในกายอะไรมันมีอยู่ในใจิตใจห้เห็นกับหูกับตาตาเนื้อของเราตาในของเราแลเรายกเือเคลื่อนไหวถ้าจะเอาตาเนื้อดูก็เห็นถ้าจะเอาตาในดูก็เห็นหลับตาดูก็เห็นนี่เป็นของจริงมันรู้อะไรที่มันมีอยู่ในกายนี้ที่มันแสดงมาทางใดมันเป็นชื่อชื่อภาษา ภาษาบาลีก็ว่ารูปหรือว่ากายว่าสติภาษาบาลีภาษาไทยก็ว่าความรู้สึกตัวภาษาฝรั่งก็เอาไว้ความรู้สึกตัวมากันคือความรู้สึกตัวก็มีทุกคนทุกชีวิตมันมีภาษาเวทนาคือสุขคือทุก์สุขทุกอ่ะชื่อว่าเวทนา ภาษาธรรมละอาการภาษาสติเป็นอาการไม่มีใครสอนใครโตใครพูดอย่างนี้ธรรมชาติมันบอกเป็นอาการของกายมันหนาวเป็นอาการของกายมันร้อนเป็นอาการของกายมันหิวเป็นอาการของกายมันโกรธเป็นอาการของจิตมันทุกข์เป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนเลยภาษาธรรม ภาษาคนคือโกรธคือทุกข์คือผิดคือถูกคือโลภคือหลงคือวิตกกังวลสศรมองเป็นภาษาคนภาษาธรรมเห็นแจ้งเห็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์เห็นความโกรธไม่ใช่เป็นผู้โกรธภาษาธรรมเป็นอย่างนี้มันเห็นเมื่อมันเห็นก็พ้นถ้ามันเป็นมันก็ไม่พ้นเรียกว่าภาษาธรรมมันมีสองภาษา ภาษาธรรมนี่ไม่มีโรงเรียนสอนภาษาคนมีโรงเรียนเพราเราผ่านในร่วมหาวิเลยกันทางนั้นแต่ภาษาธรรมนี่อยู่ในกายในใจมีสติเข้าไปศึกษากายใจเนี่ยแปดหมีพันอย่างเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาเขียนภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาธรรมเป็นสมมติมันยัดตามภาษาของบัญญัติเขียนเป็นภาษา แล้วก็ท่องได้สติความเลื่อยได้ชำวิชยะความรู้ตัวภาษาคนภาษาธรร ม, มายกมือเคลื่อนไหวรู้ก่อนพูดก่อนคิดก่อนทํารู้ขณะที่พูดขณะที่จำที่คิดรู้อันนี้ภาษาคนภาษาคนอย่างนี้ใครสอนเระเพราะเราสอนตัวเราทำให้เป็นการทําให้เป็นอย่างนี้ไม่มีครูสอน กานสอนให้รู้มีครูสอนการสอนให้เป็นไม่มีใครสอนเราสอนตัวเราเองสอนยังไงให้รู้เวลามันหลงรู้สอนไหมเวลามันหลงไม่เคยสอนตัวเองบัด น, นี้พวกเรามานั่งสอนเตียงอยู่ที่นี่อยู่ด้วยกันแล้วเวลามันหลงคิดไปรู้เวลามันสุกรู้เวลามันทุกรู้สอนลองดูชีมันจะสอนเลยไหมเราเนี่ย อยู่ว่ามนุษย์ประเสริฐมันสอนได้ไหมมันประเสริฐตรงไหนก็ ต, ตรงนี้เราจะมาสอนหรอให้มันรู้เข้าไปให้มันเป็นที่แรกก็สอนต่อไปต่อไปไม่ต้องสอนถ้ามันเป็นแล้วไม่ต้องสอนเป็นแล้วไม่หลงมันเห็นอะไรไม่เห็นรูปเห็นเวทนาไม่หลงเลยเห็นรูปเห็นธรรมเห็นรูปเห็นนามไม่หลงเลยภาษาคนานั่นหลงภาษาธรรมไม่ไม่หลง ว่มันสัมผัสได้ลพัฒน์ความทุกข์ไม่ถูกแง่มันไม่ลงเลยมีส ต, ติลพัฒนัเกิดความเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บทำเป็นแล้วทำเป็นไม่ใช่รู้มันทุกข์รู้ไม่ใช่ถูกเห็นมันทุกข์คิดจ้อยถ้าเห็นอนะ่ะถ้าเป็นเราใหญ่โตก็มันเป็นผู้ทุกข์ก็ใหญ่โตเป็นผู้โกรธก็ววใหญ่โตเป็นผู้โลดผู้หนาเป็นผู้หิวก็ใหญ่โต ถ้าเห็นแล้วไม่ใหญ่โตก็จิบจ้อยนิดเดียวนิดเดียวเลยเพรเห็นแล้วไม่ใช่เป็นเข้าไปก็ไม่มีไม่มีตัวไม่ตัวอย่างไรความทุกข์หายหมดเลยหายตัวหายตัวตนไปเหลือ น, น้อยๆเพื่อใช่ตน้นเลยอย่าให้ใหญ่เถอะพวกเราอยู่นี่ยาให้เป็นใหญ่ให้หลวงตาเนี่ยก็อยากเป็นทั่วน้อยๆไม่อยากเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากนั่งให้ใครกราบไหว้ความเป็นเจียงนะ ที่กติก็ไม่มีหน้าของไม่มีอะไรนั่งมีพระพุทธรูปมีปูเสือปูพมปูสนะพระฤษีธนะสามชั้นสี่ชั้นนั่งกินข้าวเดยกันไปไหนมาไหนไม่ต้องมารับใช้เราไม่ต้องอุปถากเราเลยแต่มีผู้ดูแลเวลาเจ็บไข้หรือยอันนี้เป็นธรรมดาจะดูก็ได้จะไม่ดูก็ได้ แต่เนี่ก็มีคนดูแลก็รอดมาได้มีหมอบ้างมีเพื่อนบ้างจะจะอุปถักต์กันยังเย็งอาบหน้าไม่ไม่เอาล้างเท่าไหรก็ไม่เอาไม่แต่ชักพ้ายก็ไม่อยากจะให้คนอื่นทําเองนั่นพอใจไม่ต้องอุปถัมปัถักมากมายไม่ต้องถวายของมากมายเกินไปอยากน้อยๆเป็นพวกน้อยๆมันน้อยยิ่งๆนะมันไม่ใหญ่ละ ไม่ใหญ่เลยนะนันเหลือแต่ธรรมชาตินะก็เลยสะดวกสุดยอดเลยผลที่สุดไม่มีไม่เป็นอะไร